ได้ยินว่าหลวงปู่มีของดีว <laughs> ่ะสั้นนี่อยู่ในทุงนี่มีไม่ไม่เหมือน <c oughs> ของดีก็อยากได้ล่ะค่ะของพอ ด, ดีพ อ, <c oughs> อเดียวเดียวหลวงปู่มันถือหาเดียวธรรมะธรรมโมอ๋อเดี๋ยวไ อ, <c oughs> อ็ได้เพิ่มนี่ละค่ะลวงปู่ไอใบขอใคุูบาอาจารย์ชาววัดสั่งว่ารุ่นจัาบันจะขอใบขอวันละไา สั่งวัดเียงเงินสอ้งใจไม่งด้เียเงินเง่เวลาจ้ะสั่งใจ่ได้เพียงเงินคะเอาอันนี้เอาใบใบเขียนแล้วใช่ไหมคะะโอเคสาธุระจยให้ทางการเมืองกจาย้แล้วนะเวียวัชกรมาเอานิ้วสังผลเสียลายก็เอามาถวายพระทำรักเหตุผลที่ถูกต้องนี่ผู้เจ้าใหญเอาอันนี้เอานิ้วสั่งนี่มันผลเสียก็งนี่ข โหลหนึ่งก็หลายบาทดีเพ่อดียกันพรก็อยากเอาใส่ยำไส้ได้เลยบอจ่าได้เราคอยเ่อได้ถือเงินเราถือสร้งเหมือนวแต่ว่าไม่มงอยู่ในสร้างเหมือความลับไม่มีในโลกที่พระพุทธเจ้าพระกำหนดผลมาของลับผลนี้บัดไปจากมาเปิดเผยนด้บัด ไปไปถือหรอกงามถือผว่านี่ไปไม่อยังได้งามอีกคนจําจี้ก็ <c oughs> กไปแม่ผน <c oughs> มีปัญญาสตรีปัญญา ก, ญากเอามาเอาม้าน้อยสิแน่ไปมา่านน้ำจับพระถกอ <c oughs> โวยมย้อนนี้ติผู้เจ้าอาวาสเราเป็นพระกันเถิดต้องช่วยพระสงฆ์รักษาพระศาสนาตัวว่าเป็นว่าพระสงฆ์ย่างเดียวที่รักษาพระศาสนาพุทธคุิณียศีพุทธรรสมเณรอุบาสกคือผู้ชายอุบาสิกาคือผู้หญิง ช่วยพระสงฆ์รักษาพุทธศ า, ษ า, ษาสนาไปเป็นเอาเนวผิดไปก็จะปัญญเสียเนเราไปมาพักเลยเกิดควมโลกแต่เพาะโยมบเปกไแล้วลองโยมเปรกมึงดูสิ่บอกเมื่อน้อ ง, งปู่มันผิดสิ่งอซีก็ว่าอีกมึงดูกันนะส้อยกันรักษาพระพุทธศาสนาทั้งเซตจะเป็นไปเพื่อควบจะเล่นลุงเรื่องส่นตัวมนมีแน็บงังเล่ใจบอ ก, ก่ากนี่แนวบงังบังนา รังใจเองแล้วมึงกล่าวว่ถือพระเจ้ามันไปถือดอกไม้ก่อนไปจำแล้วมาวิงาย่อนนีเพราะว่ากุ่พวกเายวกันุงูอไ้กลุงพููแลวกูาอาจารย์จะซือัันเขาบอไปซื้อก็ตสิปชเพราะว่าทางในเท่ทังเวงเหงหลายมันสิคํามัตะปัวบอกว่ามันสิซ่าคําทัง นี่พ้าบอกว่ามีมีซํำใดเคยสิ่งพองามค่ะบ่มีซะเลยตั้งแตไปใดไปฝันข้ามมต้องเอาซะเลยสิคือมือเอาไว้น่งไว้เรียนไพ่เรียนโบกสิผู้เจ้าบอกปนมือให้เป็นดอกบัวนี่คู่หนึ่งถูกเที่ยมนี่คู่หนึ่งสองสามชีหาคู่จากมาา กูเ่าเมีนะถัวทํามียั้งเมนาโทก็ทำจิตใจลมขอกลมเขาลมบอกลมเขานั่นไป่าไปทาบุญเรางมนนี่ไปพระยากแต่จุ่เมืองไทยนี่ยุ่งจักโตกูจะได้แก่กันยุ่งไปไทยใส่น้ำไปใส่ดอกไม้ถูกเช่นเมืองไทยมันฮ้อนพระปเทศวันน้หน้ามีตัวสัตว์ตงเทศสุขุสลดไปเทศน้องเตะนีน้องงกิดประเทศไทย เวทฝัดรุ่งให้โหยุ่งสถานที่ฝัดพันยุ่งก็บอาไปทำบุญดิเมื่อว้ยตะเด็ยนพระนบบอกไยกินดาบาดนึกไปรักของเขาบอกเยาสอนให้เข้าวัดไปกราบไปไหว้เพื่อแม่ว่าเอาดอกไม้บูชาเอาสินแปวมาแปะมึงไหมมาลากันทะวีเลย์แปลว่าดอกไม ตอนนี้มาลองเพิ่สรพัดมาลดวงดอกไม้ผมว่าตอนี้นมาตั้งไวเ้เผื่อบูชาตนนี้ัเลือบูชาตอนี้เลยหลงไปตามนั่น <c oughs> ผมนับบูราไปมาลูกมล้านกว่าเอาบูชาไว่าก็เลยไปติดตง่ายยุน่นิไปปฏิพานปรเดยะู <c oughs> เจ้ า, าศาสน์ธรรมมาสอนเพื่อให้ไปปฏิพาณดี <c oughs> นั่นเขาเลยค่าตะปูาปกากกานก็เลยไปปรได้ เท่ั้งเิงงหลมันสพวกเนี้ยว่าแต่พวกมันจากทางมาถึงวันวกพกจากทังว่ามาหลังก็แม่นอยู่เนาะแม่นเันก็แม่นนะถ้ารู้จักทางก็จะเดกันหน่อนในซองมีตังหรือเปล่าคะนะ ใสกระดาษลูกไม่ไม่ไม่เอาไปเอาแต่กระดาษพอดีเอาเอาแต่กระดาษให้หลวงปู่แล้วเอาซองที่มีตังมนี่อย่าอย่าเอาไว้แล้วท่านท่านรู้แล้วว่าตังนี่อยู่ที่นี่ก็มีได้ดีแล้วนี่แหละคือทางที่ถูกต้องเนั้นเอาเอาเป็นของสัตว์ม้ามันถูกใจแล้วมันเพราะหน้าใจบริสวางไปค่ายุหันมันยู้ลึกๆนี่ทำของพระเจ้าทำล่าถ้าก็จัทะลุยากที่สามัญชนคนธรรมดาจะดูได้ เป็นบ่านเธอะยากคืออายฟังรุ่นยากเลยต้องจำยิงเที่ยลจํเร็วเี่มาเที่ยลรุ่นดีเหลายคน่เลยเที่เที่ยลรุ่นวัดใหม่เจ้าค่ะวัดใหม่ม่ยะหรกตอนน้วัดใหม่ขอวัดเท่ยบหรือไม่บอลองเางม้งู้ ยนี่กมีแต่งานใหญ่ๆไม่ไม่ต้องเอาซองค่ะยนี่ขอแต่ใบปรนนานะนเนี่ยลหงพ่อเ็้วันมีเลยไม่มีหรอไม่มีค่ะตกไมถูกเช่นประเทศประเทศไทยมีเข็มมีได้มี่จินซอมี่งตุงผาไตมี่นั่นมีนี่้ให้ตะแเป็นต้องยตร้งส่วนมากลงต้งกหแหวนบก่าเด็กเยอะ พ่อพ <c oughs> ีจาม่อีไอ่กบเรือโรมันเป็นโรคปวดบวมเที่สามเสืองก่อนสองเสืองก้อนไฟใหม่บดอย่างอย่เมืองไทยต่างมื่ต่างสา้านกรตธานเด้๋ยใส่ต่ำไฟใหม่เหมือนกอนอย่งแตาพัตยท่านพลอญโอ้ยน่าเบอทานออกนีประเทศไทยไปฟ้ารัดวงจรสวัสดนไปถามหาว่าจอว่าเราผู้ใดถือกุญแจในโบสถ์หงปูกุญจนเสียใจจอวาถึงตัว ก็เลยเพ่ไปถามหากระบอกแล้วมั้งไงซะไฟฟ้ารถวงจรปิดเรื่องเล้าด้วยเขาเป็นควมนี้มันเป็นกินสีมาดีกลัวดิหาเรื่องหาเลาควมนั่นควนี้ไปมากเจบไงที่เแต่ไปไฟฟ้ารถวงจรก็บ้พูดเสียงกับแล้วไปเลยตั้งใจไหมสันทําไหมสัสออยากให้หูจักทูช่องเนี่ยทั้งทงตรงจึ้เดิน่งทงตรงบ่อยเยื้องทั้งอ้อม ก็ตีไดเกิดมาพบขอนี่มีวัดที่ว่ามาหนึ่งเป็นของไงพระเจ้าพระสงฆ์สิมาเจ้ะเจียวนึ่ก็เป็นของยากเพ่็ตีพบคําสอนของพระเจ้าก็เป็นของยากก็ตีปฏิบัติอีกเป็นของยากอีกปฏิบัติได้วก็ยากอีกกี่ด้จักบ้างยากถูกทา้งึ้นมากเม่ี้แล้วมากคือสันแต่ว่ถูกทา้งก็เลยเป็นข้างค้งนี่มีไปคือสันต้ไปสวัสดีพาน เดี๋ยวบางทีพถึงกบตายก้อนดำะทังหลายยังไงเดี๋ยวทางตรงเดี๋ยวเที่ยวทางตรงถ้มมีหย่างก็ไปได้เขอสำคัญห่องดีนแล้วที่เลิศที่สุดคาเดียวหาความมีออกจากใจมก็มาจังเลยนาะกน่งวงจากเลยก็หายใจมีอย่างอย่งคนสอนพูดผาหนยงเบืองล่มลมมีว่มิตรลมแต้่าบัตรละเอียก็ไปล้มหัวเพาเอาดีกว่า วันี้เขาออกาจากลมไปอีกนี่หลายอันหลายเนีีปัญหาลักลูกคือเสียบผูกข้อปัญหาลักสามีฟรระยะคือปอกผูกศอกสัหาลักทรัพย์สมบัตินี่คือปอกมัดิีนมัดเป็มือตอกไปได้บ่ปเอาติแจ้งผ่านแนวอกฟันแกลูกอกฟันบ่ปัญหารักลูกคือเสียบผูกข้อปัหาลักสามีฟรระยะนี่สามีฟัรยคือครอบขั่วกันตัว พระพุทเจ้าคนตั้งนี้จะครอบครัวไปเ ป, ปหาปฏิภาณพระพูทเจ้าหามาสองคนนี่พรเจ้าวาเขาจะเป็นคนบ่หันงข <c oughs> นเห็ุบ่ได้เป็นบ่้างหลักธรรมไปนี่พระพุทธเจ้าคิดไปคิดมายืนสามมือเ็ดมือเจ็ดขึ้นพทเจ้าฮะยืนลำพึ่งลำพันว่าเราสะทาคโได้อสัตตุลูกขึ้นยากแต่ถึงมีคนเหตุได้บ่คิดไปคิดม า, ามือที่เจ เรากฎหมายเคนพิเศษจังใดจังเหตุไดเราสถาบกฎบรรจัดไว้แล้วเห็ดน้ำนี้ผู้เทศน้ ำ, นนำถได้ไปได้ทั้งตัเหือนจังไดว่างรักตลอดสมุดประวัตเพราะว่าพมอมาจะโลกายพมสิ่งควา่มดำนิของพระพุทธเจ้าเปลี่ยนคำเรียบดำนิว่าสิวประสอนผู้ใดว่าปัญหานาเขาตั้งใจว่าเพื่อจะมาหามาสอนอคนเป็นยังติใจหน่อยแท้ภาษาฝรั่งเป็นยังา ง, งสิประสอนมัม่ คือภูอตรองกับเจ้าว ง, ง, งเป็นคนพิเศษประเสริฐก็นั่งเห็นได้วันนี้เข้าหามาไว้แล้วคนก็ตรงนี้จะตัวพูดเหต น, นำ้ำนั่นินเททวนีกจังได้ว่างรักท่ำไวแล้วไปเขาใจว่าพณิพ่านธู่เจ้าเอาไปแล้ยดินั่งยุบผู้ไดสอนมันพระธรรมวินัยพระไตรปิรกนิสัย ข, ขอถึงต้องรอยเหยียดเมืยอจ่ขอขม่าทิพย์ข้อ กัญชีวาหลายหลายวดกัญชวาหน่อยก็ย่นนี่ลักษัพยุอย่นเพื่อซื้อปอต่อมาขา้าใจเพื่อเดียวตัณใจว่มีอยังก็ไปได้ตันใจมีไปก็ได้คือเขาเดินทั้งแม่เหนี่้วอันนี้ก็ฟอากันยากสองใบสามใบกันยากหลายตัณปมีทั้งใบลบเกองกินแล้วไปใจโดยเฉพาิสีผ้าไปสูงๆเช่นใส่นักไปได้เพราะมันยังสีผ้าไปง่ายที่สุดเบาที่สุดลม ใจก็เฮาบ่มีลม้มใจก็ไปหนีจากกายจนก็เห็นบ่ฟังกันเปิงล้มดิว่ะพูดเจอเสดตู้พาะพูดเจอเปิงล้มดิตูล้มหายใจเขาออกดิว่าอนาปานสตินไปทองสวดมืดก็ได้พระไตรปกิกแต่ว่าเป็นของพระพุทธเจา้าบนของเฮาพูดเจ้าหามบับอย่างสันๆเป็นบอกไว้คาสอนมาสั้นๆบังทีคำานาเสริมของพุทเจ้าส่วนมากบุญวรมีศ า, าสนาขอพึงผ้าอาศัยขอพึงเราก็เห็เฮาบ เด็ดว่าทํากับว่เห็นคือเก่านะว่าเบิ้งก็บเทท่เห็นคือเก่านะคือบอกกินเข่ากจี๋แล่วแต่กินเขาตะยิ้มอันเดออาหารใจกัเขาจิงกัเขาก็กกเห็นหเขาเบิงก็เห็นอาหารใจเบิงลมแล้วกน้องว่าเบิงลมเบิงผมเดือนนึงเสียแรบาทพุ่ยมื่อลูกหลานหนึ่งหังหวเนวาสามสีสี ส, สีนตัวคนตาดีๆเขาเอาแต่งไม่คนคิวดังดีๆเขาเอาแต่ดีนี่ ผมพูดถูกใจหลายประเทศไทยเป็นอย่างฝุ่นจุกพลายบรอดโซ่ดังติดจมกูกไปแต่หายใจไม่ได้ติดจมูกไว้ดีเว้นแต่งดังมาบรอดโซ่ใจติดใจเหมือนฝุ่นจุกพลายเดี๋ยวเริ่มมีเดประเทศไทยเรื่องที่โฆษณาขายเครื่องติดจมกูกเราอากาศบานนี่มึงเห้มันเย็น มีฝนหลายคืบ้านอกานนเชียงถนนวันไรเมื่อบีกังขังกังขึ้นบันนี้คำนี้กังขึ้นยุทธวันอยุทยุทันยุดกับยุดบ้านอกวันยุดไปหาเที่ยวเลนสนุกเมืองฟ้ามิแตแดดสกฝนสมุกสนุกเมืองคนมิเตกินกับเลนวันจ่าววันยุดธทัางนี้เกิมิดจีนีมนหนาวสิข้างจะหันไปนี่ต้องเตรียมอาหารไรอยู้วอวันสองวันยุดธวเจรินก็เจ้าจึงลำบากหลายกันมิวัดไท้ยุตส <c oughs> มันคิวเพะนั้นวไปวัดเอาลูกเอาหลานไปห้องไห น, นก็นก้ํงวัดปราเทศเขาจะก็จุดวิตจริง ๆ, ดๆ น, นั่นจนเาขอจมตัวจุดอิตาเลียอปอังกฤษ น, นีไปรสถึงท่าควรนาอน้ามาควรนอวัดก็ไรเขาก็ว่าไปอยู่ใกล้บ้านเขาว่าวัดน้ไงควรเนีกินฟุ๊กมาสัก็ีหันใจเกือบปได้ใค่นี้จุดได้ห้องมิตรจริ เพราะฉะนั้ <c oughs> นในพยายามภาคปฏิบัตินั่นเราของดีจร่งเป็นของก็ลอกกิแรงข้ า, าเดียวกับเน่าสันแต่ขาเดียวกับเสียหายดอกอันนี้เพราะเสียหายหล่อนทำให้ทําเป็นทานมีอา น, นิสงส์ยิ่งกว่าให้สิ่งท่งงองพวงเขาจะบอกเข้ามาให้ทาสันบอกทั้งตายตายได้ป่าให้กินเข่าอันนี้ก็บอกให้อาหารใจแน่ให้เลี้ยงใจแน่ให้รักษาใจแน่ ใจบริสุทธิอหานใจบริสุทธิ์เบิ้งล้มเข่าล้มบอกคันบริสุทธิลมซื้อไรกว่าเขาก็น้เดิแต่เขาโบเบงที่บวชผู้เห็นว่าใจอยู่ใสใจอยู่น้ำล้มสวรรค์อยู่ล้มมันสงบนิ่งเขาปฏิบัติทสมือทสมือทดสอบเบื้องบนสุขอื่นยิ่งกลัวกลัวสงบไม่มีนั่นค้ำของพุนเจ้านอะเหตุยุคนี้ไปวัดยุคนี้มันจะเริญเรื่องเล็กก็มาไปทาบุญ คนมากได้แล้วของไปไถพระยากก็่า ไ, ไปทําบปุ่นต่อไปยากเข้าได้ผมา็แล้ววัดิีพระสงฆ์ก็นา ก, กินน้ำหองสองสามปีวัดนี่เสิบปีเกือบสิ บ, บ่ันนงังมี่ตะตูสังกระท่านแล้วขนมาให้ขนมาให้คนสิมเสียดาย่คนจิบายเป็นจีดีอ์ขนย้อมขนมานมาอเพราะว่น า, น, าน่าดีเห็นว่า <c oughs> โรกจะเลิ่อนถ้ามาเสื่อมสินนั้นสินทำให้กลับมาโรคอาภินาถึงมีหุ้นไหวกันยึงทุกคนเห็นว่เเรียกร้องประเทศไทยเรียกร้องเรียกตังค์เรียกตังไม่ได้ก็ยังประเทศยังได้อยู่เสียงกันอยู่หันถึงมาปาบอย่งคดโกงคดโกงเกิกุมเป็นมากมึงโกงพอแห้งจะปาบได้บอสน่าสลดนนุงเบดพประเทศฮ่อประเทศเมืองไทยเมืองพุดเมืองไทยสยามเมืองจีมตัวนี้มิสยามหนาบู บุญต้องไปรถโบไบแดงโบคีถุยกันนิดหน้อยรถคู่เดแพงก็กันถีตีป่าตันคุณนก็เราเฉือดกันเถอะขอก็เจ้าใส่รถที่ปอกอีแปกถุยกันแล้วก็เดือดไประกันมาต่อปรกันเจ้าของหนีใจไปแบนเท้าลุ่งเถียงกันตะกันของใครชื่อความกันของใครราคาแพง กว่าต้องบปฏิมาที the the ่กันอกดแน่ก็ตีปากกันแล้วซะจำนามว่าซะจำนามบุญตอนมาเมื่อิี้มคือเขาแหละพอพิตารณีพิจารินมุดกดดันหัวใจเด้ลโกกประสาทก็ไหลกวมาดดันก็ไหลก็เป็นที่ลรสาเหตุมาแต่กดดันมาเยอะทุกที่เราที่ตั้งใจปฏิบัติเอาเพราะเือเราหานใจ ทำมาแลกมากกัน้นรับก็นอนจะนั่เบังแนมลมหายใจขอมีสัจจะไปโลดพระพุทธเจ้าพุทธิตัตสรูเพราะนั่งสมาธิสัจจะพลรมีแต่ไม่ได้ตัตสรูปวันนี้เราจะไม่ไปไหนแล้วก็จะไม่ได้นั่งสมาธิวันนี้หนึ่งนาทีเราจะไม่ยอมนอนกวาน่าพงเทพีนั่งเบังลมไม่ได้ดูลมวันนี้เราจะไม่ยอมนอนหนึ่งนาทีมือหนึ่งมิจฉานาทีเหตุมึงดู เราจะพระวัน่นถิมวันพระจะไปถิมกันถิมแล้วก็แปลไปยังพรท่นเป็นคนแล้วพระพุทธเจ้าสองคนตึ้งยังเข็ดพอได้ถึงคนเข็ดพอได้พระพุทธเจ้าไปได้บรรจัดไปหรอกวันพระเดือนหนึ่งมีสีวันเ <c oughs> มื่อปีหนึ่งก็ไม่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นอากให้เน้นหนักภาคนี้ไม่นั่นเสียชีวิตก่อนทุกที่สุดคือหาที่เกิดนะ จะเกิดกับลูกกับหลานจะเกิดมาได้เขาขี้เกียจเลี่ยงถ้าเรามีศีลมีทําไม่ต้องเกิดกับลูกลกับหลานมันรจะโลกเทวโลกพรมโลกสวรรค์เข้าผลนิพพานหมดมันเกิดในอย่างน้ำขู่น้ำคนนึ่เนี่ยทุกข์เพราการเกิดเหาใจไปท่องมึงได้ไหมมึบอว่ามึงมีก้มทุกข์ของมีจากบ้านตึกต้งมากด้วยนี่ทุกข์เพราก้กเกิดเกิดไมาทุกข์แสดงหาจ า, จากลาจากร้วยจากสวยจากงามนะ่ะ ภูเขียวกำตมานนกพุทธิเ็นตะวันบ่บันบบงิสเสมานอนนังวนค้วยนอนคุบเข้ามานอนนังวนคนนอนบักาบักไว้กินไร่ก็ก้วยรู้จักว่าบ่เคยเห็นก้วยดำสูเลยกล้วยนอนคุบเข้าเลยตะกันน่ะรู้จักไหมจักเลยเห็นคุบเข้าตะกันนี่มานอนคือกันหลับอมเสีมันตนอนตื้อปลื้ดนังวัน์หลงของขององกดนะกดหนังมาข่มาตะกน เนสังเกตได้่ล้านเป็นเดบ่วสอนลูกสอนหลานลูกหลานเด้ยมานอนยงวนนี้ควยนอนคุกเขาคนนอนบอกกลับวายจีไลก็มา่มาจีไลก็คุ้ยบอถือใจเป็นไหเอามันใสื่สอนใจของเขาควรมาทาบหโยงดิเคยสอนมาแล้วสอนนี่พ่แม่บอกั้ต่น้อยพูดทางภาษาคนนอนต้องกับหมอนะกอนเนตัวพอ หมอนในขวอ่ร่มเยนเป็นสุกเอาไปมากกว่าืถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆโตตมสังก็เลยมัดแต่อันนี้ที่แดกก็บอกว่ากับหมอนซื่อๆออกแบบมะพร้าปลจอบผสมกุบาจานผสมนําจุดนี้เกิดมาจําจุดนี้ได้วยมดไหวพระทั้งวัดทเย็นแต่เป็นนมเนี่พราะว่าหลวงปู่ไปเจอนั่นไห้พูนหอยผูนนุ่มก้นเไปเ็นั่นไปเที่ยวเด่นเที่ยวหัวก็ต้อง มาสวดมนต์สลากสางบ้านตะก้อนหลวงปู่ศสีมันไปโปรดด้วยัห <c oughs> นมามสาบเยอะหลวงดดปู่ดุลไปเลาบแล้วก็บรรลุผลกับพระนรพ <c oughs> ไม่เห็นรูปเหมือนกับมิคุบาอาจารย์กับพี่กับมิตรมาเส่อสายเดียวกันก็น <c oughs> ั้งย่ำกันทังสิละ่ะเพราะมันใกล้คิดกันแด้ก็บ่บอกหรอก รู้ไว้ใช่ว่าฝ่าแบกหามให้เข้าใจถ้าทำไม่ได้กระทองกิเลสได้กิเลสสิ่งที่ทําไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเขาต้องทําได้ต้องเสียงกิเลสนั่นแหะปัญญาเสียงกิเลสก็วิปัญญาก็วิปัญญาเสียงกิเลสเต็มคุกเต็มตะล่างตะล่าง ประเทศไทยจังหวัดไหนก็เต็มแน่นเอียเอียดเอียดถึงพระเจ้าพรสอนขึ้นภากันเทศนะตอนนี้พระเจ้าสอนแค่นี้เพียงพาคกันเทศหาต้นชุกใสได้หรือว่าเขากพาว่าเขาท่าดีสิแต่พอท่อมดีเขาจึงยกคุกแค่นั้นแต่นะเาะว่าเป็นคุกของดีบ่เน่นะเข้าใจว่าเพราท่อดีท่อมดีเขาก็ว่าทําดีกันเพราะเป็นทํามดีเขาจะไปรี้นแ่นไปี้ไปคาไปโกงกันสินั่นต้นทํามดีของคนบริจิตตอ่านรอบคอ เาะอ่อนได้ก็ว่าดีขาได้ก็ว่าดีก้มวยได้ก็ว่าดีโกงได้ก็ว่าดีน่ะดีดันดีถูกใจแต่พอถูกต้องอันดีถูกต้องเพราะเดือดร้อนตอนเองและบุคคลคนอื่นนั่นดีของผัวพืนทีเจ้าอ๋อเบ่ดเดือดร้อนด้นางเบื้องล้มหายใจกอดอันนี้เดือดร้อนด้ไปตัดออกมาแต่ยิ่งวันที่ท่านจะปลาซีโซนไปตัดออกมามเปียดเดียดดิงออกมาออเอาจากควบสัตว์ ต้นจำปาไปเกิดเป็นคนหรืเป็นคนมือกุุนนี่กันถ้ามีหูทิพย์จะตัดฉันไปฉันจะมีลูกถ้ามีหูทิพย์ได้ไงมีดอกมีลูกวันที่มีลูกมีดอกถ้าเทียบกับข้นหูมีท้องลูกมงูลูกเงะลูกทุเลียนลูกผลละหมากไม่ลูกสมลูกยังมาจากดอกตะกอน มบอกปู่ต้องมนหลงพอเพราะว่าแต่ก็มันหนี่ว่ามันทำไมลูกหลานหลงทําอะไรคํานึงถึงความได้อย่าคํานึงถึงความเสียนี่บ่ได้ได้เสียดินหนึ่งเสียไปตัดบต่อมาสองเสียเนยวท้างของลูกหลานจิตเท็จิดท่างเดินนี่ตาพอเต๋อเฟื่อเจ้ามันจะคาดออกไหม นี่แต่แรกไปเห็นโยมเห็วั่นของพระเจ้าจุงฮะสวัสดีคนไหก็เพรกะว่านั่นวันไี้จัดพิทีขันดอกไม้โอ้ยจัดไปจั้งแต่ได้มือหลวงพ่อขาไปหายใจว่าได้มันเป็นกินแล้วมันหลายมือไปเตรียมไว้มันพบสันขาไปมันเป็นกินดอกไม้แล้วหละอันเป็นกินเป็นกินกับแม่อความบูดเป็นทั้งโลกหลวงพ่อว่านี่ทังพระพุทธศาสนา พิธีกรรมทางศาสนาวัฒนรธรรมชาวพุทธชาวไทยชาวพุทธต้องเน้นหนักให้ต้องแยกออกดลพิธีกรรมทั้งพระพุทธศาสานากับเรื่องของตั้งโลกถ้าเขาไปทั้งจวนผู้ว่าเพ็ดไปยังเพ็ดไปแฉ่งตูบแฉ่งเทียนแฉ่งยังกับแฉ่งรวดจวนผู้ว่าจะไปแฉ่งในวัดแฉ่งในวัดมันเป็นผิดประเภทนี้ ทังพระพุทธศาสนาเห็นบอเขาเถียงกันเรียงตีค้อมตีละครั้งเขาไปตีพระปากพระเจ้าวาดวาดได้หงวกปู่ผมไม่ได้จําซะเพิ่นไปตีละครั้งไปเด็กน้อยขีดื้ออย่งไรไปตีปากเพิ่นปาเพิ่นตีละครั้งโดนจากไรเป็นทํางานมาตั้งหรือฝากว่าอะไรฝากว่าตีเพิ่นไปตีละครั้งทําวัพบันว่าสู่เขาไปได้นี่กันเขาเถียงกันเขาเจ้าเหตุผลของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตีละครั้งให้มันไหนทําบัด คนจีละค่างเรทําวัดน่ะเป็นเอาอันหนึ่งมาเป็นโลดเดี๋ยวนี้ก็เห็นว่าเขาจับกันเรียงแห่นาขึ้นบวชจับนิดหน่อยแต่ค้นข้าวนั้นเขาไปสอบอาจารย์บอกว่าขอให้ตีคองตีกองเบาๆหน้อยกินเหลวมากบัดีิอาจารย์มันก็บอกกุณยังไปถามกันนะคุณเขาว่าจิไปถามพวกน้องบุญโหกินเหลวไรก็ไปไปเราก็ไปถามเขาไปตีปากเขาโลด มัเป็นเลียงเป็นเล่าน้ำไปฝั่งร่องกันยู่ต้อขังวัดหนังวัดสิงวัดหนังตุ่มตึ้น่อยจี๋ถึงปัวค้นไปผู้เล่าไปบวชเป็นเจ้าภาพผู้จักไปเลี้ยงไปเล่าโอ๊ยท่านสี่ได้บุญได้บาปแล้วนะผูจากฝึกมนเด้คุนตัวคือนเลี้ยงเปเล่ากันนั่นหัดที่ที่ความเลื่องของโรกป็นเอามาปนทา้งพระพุทธศาสนาและก็ทั้งกฎหมายก็ห้ามจนที่ห้ามวัดบาอาลาม ไม่ให้มีมหอนศพคบงานเพราะเขาตีกันตายในวัดหลายแหงย่งเคือได้ทอดกระถิงั้นกระถิ่งน่ะเขาไปแย่งนั่งหมอลำเสียงกันนะเอาอยู่มึงเลยแล้วยเสกันงั้นกรนะถิ่ ง, ง, นนะา ง, ต, งตายอ่ะไว้กวากฎหมายตัวบบทั้งวัดห้ามเราดิแล้นดราที่สองอยู่มาห้ามแต่งตัวไม่ถูกภาพห้ามห้ามนุ่งน้อยห่มหน้อยเข้าวัดคุณสัางวัดมาห้าม ค้นไวเขาบาดเห็นแต่เมืองไทยก็ว่าไม่อย่ยังไงไม่มีฮิลิควรมจิงกลัวละอายตอบาปมันใจหาบหนาซัดไปแล้วเมืองไทยอุดมสมบูรณ์สะดวกสบายุมสมบูรณ์แล้ววัฒนธรรมของไทยก็ถิ่นไปหมดแล้วแต่ล่ชีวีตก็ัวเก๋เเสือบุ้ยแขนตังเกงบุยขาคิดเทเรียดด <gery> ตั้งประเทศก็มีโรงงานตรงเบื้องเน่บอเทียวแต่ประเทศไทยโชว์ตั้งมัดมือมัดขึ้นนีคนในลงงานลงงูนโอ้ยอาจจะจ้างนอาจจะทำลายแท้ลรงงานเขาก็พวกต่อเนื้อไปล่อเสืออยู่ในกองเอาเนื้อไปล่อมันก็มั่งกองออกมาตัวจากเสือราคาตัหามันครอบงำอยู่ในนี่เห็นเนื้อมันก็มั่งก่องเลยบอกมั่งกองยังมังกฎหมายออก ไย่าง่กฎหมายแล้วเว้ยแต่พอมันเกิดมันก็นหลายเร่องตัวเหมือนวาสาเหตุไปใไส่สาเหตุแต่เฮาเห็นบาลาไปแจ้งตัว ย, ว ย, วยววื่นยืนวนกิเลสเป็นต้องถามกันมีปัญหากันสมัยก่อนๆเน่ะอาหารอะไรอร่อยที่สุดอระเจ้าเพชรดินอาจารย์ที่ใดไปถามอาจารย์ น, นาคว่าโอ้ยพรรษาอาจารย์นาคว่ได้อธิษฐานอาวาเสผมอธิษฐานจักกะวาเลที่มัตส์เองจักกวาเล มังมังเตมมาสร้างมาสั้งอุเปอเรติฐานเอาจักรวาลเร่เป็นเขอบภาษาื่อได้เอาเฉพาะวัดรเสริฐเลยไปถามปัญหากันเนื้ออะไรอร่อยที่สุดคนชอบเตืวออะไรเนื้อจิ้มเนื้อเพราะว่าอมหาหยดยุ่งกดนจีเด็ดมันก็หลายแล้วคนมีจีเด็ดเลยไปตระหนักตลดตบองเรบยนเลยบนกันตุกตัวประเทศไทยโอ้ยมึงพุดหน้าละอายมึงพุดต่าด้อายเขาแต่นอ ประเทศชาติตาอื่นเขามาพึ่ออาศัยรมใบบุญพระพุทธศาสนาไปก็เขาล่ำเขารวยกองเขาเขาสวยเขางามคงขืนเขาคงขืนเราขาความจินต า, ายปันตนะร่องมีวัตนธร้ำเท่าไทยชอบขุดมงดูบาตั้งเหตุงานเอวเอินเอาตะขาดมา่องเที่ยวเอาวุง ม, มัดประเทศไทยเห็นจักเห็นใจเขาใจเราเห็นก้นจะดวกมียุติธรรมบริสุทธิ์ยุติธรรมเข้าไปมึงดูลองเห็นแช่ขูคนไปเอินจินเขาขึ้นตะกองดู เออจึงเขาฟี่นอนฟี่โอ้ยใส่เสื้อไจากเขาไปหัะนี่ม้นนี้มิเตเลียนเอาเลียงเอาขายอย่งางนี้มันยังธรรมดาแค่ไนโกงเขาขีดกลัวเขาเพราะจะล้เครื่องบินไปส่งน้อยนี่โรงแรมอยู่ตรงนี้ผาโกงอยู่ใส่บุย์ <c oughs> จากไห้มิเตอร์ข <c oughs> ืนลายจากคงปุ๊บป๊าม่เห็นเขาลุยไปลวยมาหาวิธีโกงเขานั่นเป <c oughs> ็นเขาสวยขางามคกงขืนเขาเป็นตตหลายป้อนะ เห็นมึงดูที่ความสูงใจเป็นไปแต่นั้นเห้นหรือฟ้าเพลาะันเป็นไปไม่ได้หรอกสู่โลกก็ได้เห็นทำให้กับมาโลกาพินาศเห็นหมนี่แต่ทางโลกเล่นนั่พระสิ้งสรเืองของโลกนั่นของโลกสัรนี่ไม่สึ่งสุดเดืองของโลกเห็นไ่มเดี๋ยวดีรถไม่มีคนขับเขาปล่อยออกมาแล้วกี่คันกี่คันเราปล่อยไปเป็นเดือนเป็นเดือนกลับขึ้นมาไม่มีคนขับดิไม่มีแป๊ะไม่มีแม่งเว้ยม่มีสนกันทะงแงเขาไปเอาทดสอบแล้ บ่มีคนขับขับขึ้นมาแต่ฐานทีก็เขามาเองไปก็ไปเองบ่มีถึงซนน่ตัองจงไรคนก็อยากซื้อเันตัวเ <c oughs> <c oughs> นี้เรื่องมีล้วเหนผู้รัพผู้ด้วยก็ต <c oughs> ันี้คนขับนั่นเมื่อทันนจว่าของพูเจ้าสิ้นสุดเรื่องของโลกก็สิ้นสุดมมนรักษาหายอะไรยังอยู่คือติดตาย ตายแล้วดีกว่ี่เกิดอีกแจ้าของผู้เจ้ารักษาได้บ่มีเกิดแก้เก็บตายบ่มีบ่มีพบมาพบหลังอีกชุดชุดยอดแล้วโรงบานของผู้เจ้าเพราะฉะนั้นจักให้เน้นนักเฝ้าเห็ดเฝ้าทามเฝ้าท้อเฝ้าพ่ายเนี้ยสรงถึงฟังเราเพื่อไปสั้างใส่สร้าหัวมันต้อไปถึงฟังเราไปได้จัตวาหเหตุว่าอะไรผู้เจออ้าเคนบ่เ อ, อเอาันนิพันธ์ไปนำ เดี๋ยวม่บุญกุศส่วนเจะาชองุกหลานเด็กที่ร่องได้เสียทละมากลับมาว่าพราแม่คุณบาอาจารย์นิมนต์หลวงปู่มารัดว่าะอารามหลวงปู่ก็มีอะไรมาให้ให้ศินใน้ธรรมอำนาจบุญกุศลที่เราได้ทำแบนี้อำนาจบุญกุศลตองคุณก็องกุศลยาวพระธพระสงได้จริงงทั้งหลายในสาคนโลกนี้จงมารวมกันจงปกป้องปกป้กุคนนยมลูกหลานมีแต่ความสุขความเจริญสุขกายสุขใจหมายจากสุขสุลกไปกานทงานเงินจึงได้พัฒนาหนึ่งอะไรจงสาเร็จจงสเ็จ โดยเฉพาะในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจงฝากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจงมีดวงจิตดวงใจได้เห็นสิ่งเห็นธรรมเห็นมรรคเห็นผลเห็นสวรรค์เห็นพันิยพานในปัจจุบันในชาตินี้เถิด